ออรรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2554เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวัน อาสาลหาบูชาคำว่าอาสาลหาบูชานี้แปลว่าเป็นการบูชาในเดือนอาสาลหาในสมัยพระพุทธกาลวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนี้เดือนแปดนี้เขาเรียกว่ามีชื่อว่าอาสาลหาเนื่องจากวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนแปมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นสำหรับพระพุทธศาสนาชาวพุทธเราจึงได้มีการบูชาตันมาอย่างสม่งเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้ลํำลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญในวันนี้คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีก็มีหนึ่งในพระปัญจวัคคีปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ได้บรรลเป็นพระอริยสงฆ์สาวกคนแรกของพระพุทธศาสนาวันอาษาลหบูชานี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยปรากฏครบทั้งสามองค์พระพุทธ ร, รัตนะนี้ได้เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกคือวันที่พระบรมศาสดา ได้ตัดสรุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็สองเดือนต่อมาคือในวัน 8, ขึ้น8ขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแปพระ อ, องค์ก็ทรงตัดสินพระไทยที่จะประกาศเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจึงปรากฏมีพระธรรมรัตนะขึ้นมาในวันนี้ แล้วหลังจากที่ได้ทรงแสดงทำแล้วก็ปรากฏมีผู้บรรลุพระอริยะขั้นแรกคือพระสโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกคนแรกของพระพุทธศาสนาทำให้ปรากฏมีพระสังฆรัตนะปรากฏขึ้นมาในวันนี้ วันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบถ้วนทั้งสามองค์คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังครรัตนะวันนี้จึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาถ้านับมาจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ครบสอง0 54ปีมาแล้วนี่คือความสาคัญของวันอาสาฬหาบูชาคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีวันอาสาฬหาในสมัยพระพุทธการก็จะไม่มีพวกเราได้มาพบปะกันในสถานที่แห่งนี้เพราะจะไม่มีพระพุทธศาสนานั่นเอง พระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆนั้นทรงมีความท้อพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาให้แก่สัตว์โลกทรงเห็นว่าเป็นคำสอนที่มีความลึกซึ้งและยากลำบากสำหรับสัตว์โลกทั่วๆไปจะสามารถปฏิบัติตามได้แต่เนื่องจากมี พระเท้ามหาพรหมได้มาขออาราธนาให้ทรงพระเมตตาต่อสัตว์โลกและหลังจากที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาดูก็เห็นว่ายัางพอมีบุคคลที่จะพอสอนได้คือบุคคลทรงพิจารณาดูว่ามีเป็นสี่จำพวกด้วยกันเป็นเหมือนบัวสี่เหล่า คือเป็นพวกที่มีบุญมีกุศลมากพอที่จะสามารถรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสมัมฤทธิผลขึ้นมาก็พอมีอยู่แล้วก็มีพวกที่มีบุญกุศลลองลงมาตามลำดับจนถึงพวกที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลเลยคือพวกที่สีจึงทรงเปรียบ พวกบุคคลทั้งสี่พวกนี้ว่าเป็นเหมือนบัวสี่เหล่าบัวประเภทแรกนี้เป็นพวกที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากในอดีตถ้าเป็นบัวก็อยู่เหนือน้ำแล้วรอเวลาให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็จะบานออกมาพวกนี้ก็รอแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าจะนำมาเผยแผ่ ถ้าเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรมเพียงครั้งเดียวเขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยพวกที่สองนี้ก็เป็นพวกที่บเป็นพวกบัวปลิ่มน้ำคือได้สะสมบุญกุศลมาพอสมควรแต่ยังไม่มากพอต่อการตัดสู้จากต่อการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมจากพระบรมศาสดา จำเป็นจะต้องนำเอาไปพินิจพิจารณาใครควรและปฏิบัติตามไปอีกสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนพวกที่สามนี้ก็เป็นพวกที่สะสมบุญกุศลมาน้อยมากแต่ก็พอมีทำให้มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศล มีศรัทธาในในความเชื่อในวิะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะสามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อบุญต่อกุศลได้แล้วก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ตามลำดับต่อไปแต่จะช้ากว่าพวกที่หนึ่งและพวกที่สอง ส่วนพวกที่สามนี้เป็นพวกที่อยู่เป็นบัวที่อยู่กับคโคลนกับตมคือยังไม่ได้จเจริญเติบโตขึ้นมาพอที่จะอยู่ขึ้นมาเหนือน้ำได้พวกนี้จะไม่มีโอกาสเนื่องจากจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้ก็หมายถึงพวกที่ไม่ได้สะสมบุญกุศลมาในอดีต จึงทําไม่ให้มีความเชื่อในเรื่องบุญกุศลไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะสามารถยกระดับชีวิตของเขาให้สูงขึ้นไปให้มีความสุขความเจริญมากขึ้นไปบุกคลเหล่านี้จะไม่พร้อมที่จะรับกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ยังจะต้อง เวียนว่ายตายเกิดไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะเขาไม่สามารถที่จะรับคําสอนที่จะทำให้เขาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไปได้นี่คือบุคคลสีประเภทหรือบัวสีเหล่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจําแนกแยกแยะไว้จึงทรงคิดถึงบุคคลที่ มีบุญกุศลมากที่จะสามารถรับประโยชน์จากแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธองค์จะทรงนำมาสั่งสอนได้ก็ทรงนึกถึงพระอาจารย์สองรูปที่ทรงเคยไปศึกษาปฏิบัติพระอาจารย์สองรูปนี้ได้บาเพ็ญศีลและได้บาเพ็ญสมาธิมาขาดเพียงแต่ปัญญาคือความรู้ที่จะทำให ตัดภพตัดชาติได้จึงจึ ง, จง น, นึกไปถึงสองพระองค์นี้แต่ก็ทราบว่าได้เสียชีวิตไปแล้วพระองค์จึงทรงนึกถึงบุคคลที่ควรจะมีความสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมีได้ก็คือพระปัญจวัคคีที่เคยติดตามเป็นสาวกของพระองค์มาแต่ทรงแ ต, แต่ได้ตรีตัวออกไป หลังจากที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเพียรด้วยการอดพระกายาหารถึง49วันแต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางที่จะทำไปนำไปสู่การตัดจรูปพระพุทธองค์จึงทรงหยุดการปดพระกายาหารทำให้พระปัญจวัคคีย์เสื่อมศรัทธาในพระองค์และทรงแยกตัวออกจาก การติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ทรงทราบ ว, ว่าพระปัญจวัคคีย์อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกันจึงมุ่งไปที่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้เพื่อที่ไปโปรดแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์ mm hmm. ก็ทรงได้แสดงธรรมในวันเพนคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8คือในวันนี้แต่หลายปีมาแล้ว 2 5ง4ปีมาแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงนี้มีชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรคำสอนอันแรกของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเนื้อหาสาระของคำสอนนี้ก็ทรงสอนให้ละเว้นจากการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุข ทางโลกคือทางตาหูจมูกเล่นกายทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทางเพราะเพียงแต่จะกลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเช่นเวลาเราทุกข์ไม่สบายใจเราก็ออกไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปหาอาหารรับประทานไปดื่มเครื่องดื่มต่างๆเราก็มีความสุขอยู่ชั่วคราวแต่พอเรากลับมาบ้าน ความทุกข์ที่เรายังมีอยู่นั้นก็ยังไม่หายไป mm. เพราะนี่ไม่ใช่วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราอีกวิธีหนึ่งที่สงสอนให้หลีกเลี่ยงก็คือการทรมานตนโดยใช่เหตุเช่นการอดอาหารอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรทางด้านจิตใจอย่างนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ หรือพวกฤาษีชีพัรที่ทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆบางคนก็คิดว่าการไม่หม่มไม่ห่มเสื้อผ้าไม่มีเครื่องนุ่งหม่มจะทำให้ดับความทุกข์ได้ก็เป็นพวกชีเปลือยบางพวกก็คิดว่านั่งอยู่บนที่ที่นั่งที่มีมีของแหลมทิ่มตำํำจะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้ การกระทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ภายในใจวิธีการดับทุกข์ภายในใจนี้ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือไม่ทรมานตนมากจนเกินไปและก็ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสให้ปฏิบัติทางที่ทรงเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยทำสามประการด้วยกันคือ 1. ทานคือการให้ 2. สศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาป 3. ภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญานี่คือวิธีที่จะดับความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทรงให้ทานมาอย่างเต็มที่แล้วคือทรงสละพระราชสมบัติมีสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรมีบริษัทบริวารมีสมีภรรยามีบุตรก็ทรงสละไปหมดสิ้น ออกบวดเป็นส ม, มณะแล้วก็รักษาศีลรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่กระทาสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ท่งจเจริญจิตภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็ส่งสอนจิตใจให้เห็นความจริง ว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรเพราะเวลาที่จิตสงบจะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาภายในใจจะเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากต่างๆและจะเห็นว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือการละความอยากต่างๆนี่คือพระ อ, อริยสัจสี ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าจิตใจมีความสงบเราหันเข้ามาดูภายในใจเราจะเห็นทันทีเลยทุกเวลาที่เรามีความอยากเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่สงบเราจะมองไม่เห็น แทนที่เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความอยากของเราเรากลับไปทําตามความอยากเช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุราเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจเราก็ต้องไปหาสุรามาดื่มเพราะเวลาได้ดื่มสุราแล้วความไม่สบายใจนั้นก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวแต่นี่ไม่ใช่เป็นการ ทำให้ความไม่สบายใจหายไปอย่างถาวรเพราะหลังจากงานอีกไม่นานเราก็จะเกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาอีกแล้วเราก็ต้องไปหาสุรามันดื่มอีกถ้าเรามีจิตที่สงบแล้วเราจะเห็นว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากดื่มสุรา ถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ใจเราก็เพียงแต่หยุดความอยากดื่มไปเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เราไม่มีความอยากเราก็ไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใดแต่พอเราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที ถ้าเรามีจิตที่สงบแล้วเราจะเห็นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเรานี้อยู่ที่ความอยากของเรานี้เท่านั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะละความอยากได้เพราะเราไม่ต้องการที่จะทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นเองนี่คือวิธีการดับทุกข์ต้องดับด้วยการให้ทานนัก รักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนานี้ก็ต้องทำสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าส ม, มถาภาวนาทําใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระอริยสัจสีรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์คือสมุทยัยรู้นิโรธคือความดับของทุกข์และรู้มรรคคือ เหตุที่จะทำให้ความทุกข์นี้ดับไปว่าอยู่ภายในใจของเราถ้าเรามีจิตใจที่สงบเราจะเห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้เวลาเกิดความทุกข์ใจสติปัญญาของเราก็จะหันมาถามตัวเราว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรเมื่อก่อนนี้ ตอนที่เรายังไม่อยากเรามีความสงบมีความสุขตอนนี้เราไม่มีความสงบไม่มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะเราเกิดความอยากขึ้นมานั่นเองเช่นเราอยากจะมีสามีอยากมีภรรยาเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่ตามลาพังไม่ได้ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่มีความอยากเราก็ไม่เดือดร้อนจะมีสามีหรือไม่มีภรรยา เราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องเดือดร้อนแล้วต้องไปหาสิ่งที่เราอยากเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่เราอยากกันทุกวันนี้สิ่งที่เราอยากกันก็คืออยากในลาบย่สสนสรรเสริญอยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็อยากมีอยากเป็น อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีตำแหน่งสูงๆเช่นตอนนี้ก็อยากเป็นสสอยากเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากจะมีอำนาจวาสนาเหล่านี้เรียกว่าตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วก็นอกจากความอยากเหล่านี้ก็ยังมีอยากอีกอย่างหนึ่งอยากอีกแบบหนึ่ง คืออยากไม่มีเช่นอยากไม่แก่อยากไม่จนอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเวลาที่เกิดความรู้สึกว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนฉลาดถ้ามีปัญญาจะรู้ว่าความอยากนี้เป็นเป็นต้นเหตุก็จะตัดความอยาก ยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่มีทางที่จะหนีพ้นไปได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บนี้จะทำให้ทุกใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่มีจิตที่สงบแล้วมีสติ ป, ปัญญาจะเห็นว่าต้องไม่อยาก ต้องยอมรับความจริงอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทำให้เราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาโดยใช่เหตุคนที่ฉลาดนี้จะรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่เป็นคลีดเป็นภัยต่อจิตใจเพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับใจสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้ดับทุกขั้นต่างๆไปได้หมดเพราะเห็นอริยสัจสีนี้เองเห็นว่าความทุกข์ใจในระดับต่างๆนั้นเกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆพอดับความอยากในสิ่งต่างๆได้หมด ความทุกข์ใจก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนี่คือการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอย่างนี้เห็นว่าความทุกข์ใจทุกแบบทุกรูปทุกชนิดนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการคือความอยากในการมรลคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและ ชนิดที่สองคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีอำนาจวาสนาอยากเป็นนายกอยากจะเป็นสสนี่คือความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ความอยากทั้งสามส่วนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดได้หมดเลยในละได้หมดเลยไม่ทรงมีความอยากกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการละความอยากต่างๆนี้เองใจของเราที่ไม่มีความสงบทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจเรา ไม่ยอมหยุดอยากกันยังอยากได้นั่นอยากได้นี่เสมอไม่เชื่อลองนั่งเฉยๆดูสักวันหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้สบายๆแล้วอยากลุกขึ้นไปทำอะไรดูซิว่าจะนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมจะนั่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเกิดความอยากลุกไปทานูน่นทำนี่ลุกไปดูนั่นดูนี่ไม่เชื่อลองทำดู ถ้านั่งเฉยๆได้ไม่ต้องไม่อยากรูปไปไหนก็จะบรรลุธรรมได้ก็จะมีความสุขได้ก็ไม่ต้องไปดิ้ดนรนไปหาสิ่งต่างๆมาแบกมามารับผิดชอบมาทุกข์ด้วย mm hmm. เช่นสมมุติถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวถ้าเราไม่มีความอยากจะไปมีสามีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสามีกับภรรยา mm hmm. เหมือนคนที่เขา มีสามีภรรยากันพอมีสามีภรรยาแล้วก็อยากจะมีลูกมีหลานอีกก็ต้องไปทุกข์กับลูกกับหลานอีกเราเพิ่มความทุกข์ของในใจเราตามความอยากของเรายิ่งมีอะไรมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะเราจะต้องคอยดูแลรักษาของที่เรารักที่เราชอบแล้วเราต้องหวงต้องห่วง แล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียของที่เรารักไปทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่ฉลาดของเรานั่นเองไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่ไหนคิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความจริงก็คือต้องไม่มีอะไรเลย แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีถ้าร่างกายนี้มีก็ขอให้เป็นร่างกายชิ้นสุดท้ายของเราเวลาตายไปแล้วอย่าไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพราะเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาอีกก็ต้องมีความทุกข์ตามมาอีกทุกจะมีจะไม่มีต่อผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือปัญญาของผู้ที่ ศึกษาดูจิตใจของตนจะรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปพอตัดความอยากให้หมดไปได้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีร่างกายมาต้องทุกข์อีกต่อไปถึงแม้มีร่างกาย ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะรู้ทันและได้ปล่อยวางไม่เสียดายไม่หวงร่างกายอันนี้ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายไปเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เกิดขึ้นได้เสมอเพราะไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายนั้นเองนี่คือการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้ารู้พระอริยสัจสีนี้เองรู้ทุก สมุทยัยนิโรธมักทุกข์ก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจสมุทัยก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากทั้งสามประการได้แก่การมัตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหานิโรธก็คือการดับของความทุกข์ใจนิโรธนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมักก็คือมีสติมีปัญญา มีสมาธิมีความสงบพอมีความสงบในใจก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากพอเห็นว่าเกิดจากความอยากวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็ง่ายเหลือเกินก็หยุดอยากเพียงเท่านั้นหยุดอยากไม่ต้องไม่ต้องอยากความทุกข์ก็จะหายไปเช่นเราอยากจะดื่มสุรา พอเรารู้ว่าเราไม่สบายใจเพราะเราดื่มอยากจะดื่มสุราเราก็หยุดดื่มเท่านั้นเองพอหยุดดื่มแล้วต่อไปก็จะไม่มีความหงุดหงิดใจกับการดื่มสุราเพราะไม่มีความอยากดื่มนั่นเองคนที่เขาไม่หงุดหงิดใจกับการดื่มสุราก็มีอยู่หลายคนมีอยู่เช่นคนที่ไม่ดื่มสุราเพราะเขาไม่อยากดื่มสุรานั่นเอง เขาก็ไม่มีความทุกข์กับเรื่องการดื่มชุรานี่แลคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยสัจสี่ภายในใจแล้วเราก็จะสามารถทำใจของเรา ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เลยเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือสมบัติของเราหรือบุคคลที่เรารักเราชอบหรือร่างกายของเราจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะใจของเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใจของเราปล่อยวางได้ ปล่อยให้เป็นไปตามความจริงอะไรจะไปก็ปล่อยให้ไปอะไรจะอยู่ก็ปล่อยให้อยู่แต่ใจของเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะใจของเราไม่ทุกข์กับอะไรแล้วนั่นเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรานำเอาไปปฏิบัติกันเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจด้วยการให้ทาน รักษาศีลและเจเริญจิตตภาวนามีผู้ที่มีศรัทธาและน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามจนบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็มีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่พระอญญาณโกนธัญะญผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมองค์แรกหลังจากนั้นก็ปรากฏมีพระอารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจะไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวปรากฏขึ้นมาเลยจะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะผู้ที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองนี้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้านอกนั้นแล้ว ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนก่อนถึงจะสามารถบรรลุได้พอพระพเจ้าสอนปั๊บเพียงไม่นานเพียงเจ็ดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็ 1,250 รูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสคือเจดวันหลังจากที่ทรงเจดเดือนหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอน ในวันเพ็ญเดือนแปที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามมีพระ อ, อรหันต์หนัร้อยหรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศ ต, ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันนี่คือพระอรหันต์ที่เกิดจากการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพวกที่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วดังก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันอย่างแน่นอนนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาที่พวกเราได้มาร่วมกันบงเพ็ญกุศลกันในวันนี้ เพื่อให้ลำลึกถึงเหตุการณ์สําคัญเพื่อเตือนสติให้พวกเราได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้มาปฏิบัติเพราะว่าไม่มีเพราะโอกาสที่เราจะได้พบกับพระธรรมคำสอนอย่างนี้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมสอนพระธรรมคำสอนสักครั้งหนึ่งและนานๆ ที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้พวกเราถือว่ามีโชคอย่างมหาศาลที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระธรรมคาสอนก็จงอย่าปล่อยให้โอกาสอันนี้นี้หลุดมือไปตอนนี้เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้มีพระธรรมคาสอนมีชีวิตอยู่ให้รีบปฏิบัติเสียเพราะโอกาสหน้าหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่ เราอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาจึงขอฝากให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจณาและปฏิบัติตามสติตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของท่านเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา